ไรโลกราธาชัดเจนประจักษ์ใจท่านเมตตาเล่าถึงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นบนยอดเขาวัดดอยธรรมเจดีด้วยความห่วงใหญ่ลูกหลานชาวพุทธเกรงจะลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ว่าเป็นของมีจริงดังนี้ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ประจักษ์กับใจของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่เรารู้ประจักษ์ใจของเราคืออะไรคือนรกเกรดอสุรกายบุญบาปเทวดาเทวบุตรเทวดาอินพรม มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าทํานสอนว่าอย่างไรยอมรับกราบอย่างราบเลยหาที่ค้านไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันนับไม่ท้่วแล้วมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรสรู้ก็มารู้เห็นสิ่งเหล่านี้นอกจากเห็นกิเลส ค่ากิเลสจากพระทัยของท่านแล้วก็มารู้เห็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับความรู้ที่จะควรรู้ควรเห็นนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมสอนธรรมแก่โลกท่านจึงต้องสอนตามหลักความจริงว่าบาปมีเพราะบาปมีมาดั่งเดิมมาแต่การไหนไหนบุญมี บุญเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมียอมรับว่ามีมาตั้งแต่การไหนไหนแล้วเมื่อความรู้ความเห็นซึ่งยังเข้าไปสู่จุดเดียวกันแล้ว เห็นอย่างเดียวกันแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเห็นก็เห็นอย่างกระจ่างแจ้งไม่สงสัยรู้อย่างกระจ่างแจ้งอย่างอาจหารชานชั่ตามความจริงที่มีอยู่นั้นเวลานำมาพูดจะสะทกสถานที่ไหนใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความรู้ความเห็นความเป็นนี้ ไม่ได้คลาดเคลื่อนจากหลักความจริงไปเลยเป็นความจริงล้วนๆอย่าพากันกล้าหาญต่อบาปนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสด า, า, าองค์เอกทุกๆพระองค์สอนว่าบาปมีอย่าทำบาปบุญมีให้สร้างคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลนรกมี อย่ากล้าหานชานชัยต่อสู้พระพุทธเจ้าอวดดีอวดดีเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างว่านรกไม่มีตายแล้วจะจมลงทันทีทันใดถ้าใครอาจหานชานชัยต่อพระพุทธเจ้ากล้าลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มี ผู้นั้นแหลคือผู้หมดคุณค่าแล้วทั้งๆ ท, ที่ลมหายใจยังฟอดฟอดอยู่นั้นพอลมหายใจขาดแล้วจะดีดผึงทันทีไม่ได้มีคําว่าใกล้ว่าไกลจากนี้ถึงแดนนรกกี่กิโลกี่เส้นกี่วาไม่เคยมีพอใจขาดลมหายใจขาดสะบั้นลงไปแล้วกรรมที่ทำชั่วช้าลามก ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งเป็นกรรมโดยแท้ไม่มีที่ลับที่แจ้งมันแจ้งขาวดาวกระจางอยู่ภายในใจของผู้ทานั่นแหละ